บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่2เรื่องความหมายของทิฏฐธรรมิกะและสัมปรายิกะทิฏฐธรรมิกะและสัมปรายิกะมีรูปสัพท์ที่เป็นคำนามว่าทิฏฐธรรมและสัมปรายะตามลําดับคำทั้งสนี้มีใช้มากมายทั้งในบาลีและในคำพีชั้นหลัง และมักพบในความหมายว่าปัจจุบันหรือชีวิตนี้กับเบื้องหน้าเลยจากชีวิตนี้ไปหรือโลกหน้าโดยเฉพาะที่คุ้นหูคุ้นตานักศึกษาทำ ม, มากได้แก่ที่มากับคําว่าอัตถะเป็นทิฏฐธรรมิกัตตะและสัมปรายิกัตตะแปลกันว่าประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าบางคราวมีปรมามัตตะประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์สูงสุดตามมาด้วย รวมเป็นอัฏฐะหรือประโยชน์สามขั้นอย่างไรก็ดีในคำภีขั้นต้นทีเดียวมีแต่อัฏฐะสองคือทิฏฐธรรมิกัฏะและสัมปรายิกัฏะเท่านั้นมาคู่กันและในกรณีเช่นนั้นสัมปรายิกัฏะหมายถึงประโยชน์ที่สูงกว่าหรือเลือจากทิฏฐธรรมิกัฏะขึ้นไปทั้งหมดรวมทั้งประโยชน์ขั้นปรมาทุด้วยส่วนคาว่าปรมาทะ ท่านใช้ลำพังต่างหากเป็นคำโดดๆดดไม่รวมอยู่ในชุดโดยถือเป็นวัยพจน์อย่างหนึ่งของนิพพานต่อมาในคำพีชั้นรองจึงจัดเข้าชุดเป็นอัฏฐะหรือประโยชน์สามคือทิฏฐธรรมิกะทะสัมปรายิกะทะและประมัตทะในกรณีเช่นนี้สัมปรายิกะทะย่อมถูกจำกัดความหมายให้แคบเข้าเป็นประโยชน์เบื้องหน้าหรือเกี่ยวกับโลกหน้า ชั้นสวรรค์ที่ต่ำกว่าปรมัตถ์คื อ, อยังไม่ถึงนิพพานที่ว่าสัมปรายิกาตะเดิมหมายถึงประโยชน์ชั้นสูงขึ้นไปทั้งหมดรวมทั้งปรมถาถะด้วยนั้นเช่นเมื่อคราวที่ท่านพรมมายุปรามผู้เท่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ประธานโอกาสให้ท่านถามปัญหาได้ทั้งที่เกี่ยวกับทิฏฐธรรมิกาตะและสัมปรายิกาตะพรมมายุปรามดาริว่า สำหรับทิฏฐธรรมิกัตถะตัวท่านเองชำนาญอยู่แล้วมีแต่คนอื่นมาถามท่านดังนั้นท่านจึงจะถามปัญหาเกี่ยวกับสัมปรายิกัตถะคำถามเกี่ยวกับสัมปรายิกัตถะของพรมอายุพรามมีว่าทำอย่างไรบุคคลจึงจะเป็นพรามเป็นเวทคูผู้จบพระเวทเป็นเตวิชะผู้ทรงไตรเพศหรือไตรวิชา เป็นโสติยะผู้เจนสรุติคือตัวบทแห่งพระเวทเป็นพระอาหารหันต์เป็นเกวลีผู้ลุกไกวันเป็นมุนีและเป็นพระพุทธเจ้าแม้คำว่าสัมปรายิกะล้วนๆก็มีความหมายกว้างถึงชั้นปรมัจุด้วยเช่นกันดังในกันนกัตทละสูตรมัชิมนิกายมัชิมปัญนาตพระเจ้าประเสณิธิโกศล ทูถามพระพุทธเจ้าถึงความแตกต่างระหว่างวันละทั้งสี่พระพุทธเจ้าตรัสตอบแสดงความแตกต่างในแง่ทิฏฐธรรมมิกรธรว่าเมื่อถือตามอาการแสดงความเคารพ ก, กันกษัตริย์และพราหมณ์ก็เป็นวันณะสูงแต่ในแง่สัมปรารยิกะความแตกต่างกันไม่เกี่ยวกับวันณนะความแตกต่างขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของแต่ละคนเมื่อถึงมิมุติแล้ว ไม่มีอะไรต่างกันและมีข้อความตอนหนึ่งในคัมภีร์มหานิเทศว่าบุคคลมองเห็นอานิสงสองประการแห่งทิฏฐิของตนคืออานิสง์ที่เป็นทิตรธรรมิกะและอานิสง์ที่เป็นสัมปรายิกะอานิสง์ที่เป็นทิตรธรรมิกะของทิฏฐิเป็นไฉ่กล่าวคือาศาสดามีทิฏฐิอย่างใดสาวกทั้งหลายก็พลอยมีทิฏฐิอย่างนั้น พวกสาวกย่อมสาการะเขารบนับถือบูชายังเกรงาศาสดาผู้มีทิฏฐิอย่างนั้นและย่อมได้จีวรบินบาทเสนาสนะเพศั์อันสืบเนื่องมาแต่การนั้นอา น, นิสงส์ที่เป็นสัมปรายิกะของทิฏฐิเป็นชะไหนกล่าวคือบุคคลนั้นหวังผลต่อไปข้างหน้าว่าทิฏฐินี้พอจะทำให้เป็นนาคเป็นครุฑเป็นอิน เป็นพรมหรือเป็นเทพได้ทิฏฐินี้พอเพียงแก่สุทธิวิสุทธิบริสุทธิมุตติวิมุตติบริมุตติเราจักบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยทิฏฐินี้ในฉันอัตถกถาท่านมักแสดงความหมายจำกัดลงไปทีเดียวว่าทิฏฐธรรมิกะหมายถึงมีในอัตภาพนี้ เกิดขึ้นในชาตินี้สัมปรายิกะหมายถึงมีในปรโลกเกิดขึ้นในโลกหน้าหรือชีวิตหน้าแม้อัตถกถาที่อธิบายเรื่องนิพพานธาตุสองอย่างก็อธิบายทํานองนี้เช่นกันคือกล่าวว่าทิฏฐธรรมิกะหมายถึงมีอยู่เป็นไปในอัตภาพนี้สัมปรายิกะหมายถึงมีในเบื้องหน้าคือภายหลังจากทำลายขัน บันทึกที่2ขอเข้าสู่เนื้อหาในบทที่7ต่อไป